บุ๊ก <Book> 2ห้าเตจประเทศและภาษาไครเนีอยอายาซิคิจอนมาจากลอนดอนจลดลดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ l o n d ด n je ีวเวลก์เเกย์บริทันีเขาพูดภาษาอังกฤษฮาวอรีโปอังกฤษสกีมาเรียมาจากม d ดริดมาเรียยีสมาดริดูมาดริดอยู่ในประเทศสเปนมายป เธอพูดภาษาสเปนฮาวอรีโปสเปเนียลสกีปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลินเบตเ s อร์อามาร์ตาซูสเบอร์ลินาเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอรลิน คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม h o v o r í t e obaja po n ě m e c k y London เป็นเมืองหลวง Londín je hlavné mesto Madrid และ Berlin ก็เป็นเมืองหลวง Madrid a Berlín sú tiež hlavné mestá เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรปประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญี่ปุ่นก็สนาค z a v อาซีประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาส c h คาจาเซ e วอร์ในอเมริกาประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง